เจ็ดท่าต <ock> <ser> ุวิจัชนาวาระกรมธาตุมูลกะในสามบุคคลผู้จุติจากกรมธาตุและอุบัติในกรมธาตุบางคนมีอนุสัยเจดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องไม่มีอนุสัยยะพังคะบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุและอุบัติในรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสมนอนเนื่อง ไม่มีอนุสยาพังคะบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุและอุบัติในรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยาพังคะบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วไม่อุบัติในการมธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็นอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยาพังคะ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 บุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมธาตุและอรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอน um ุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุส as ัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยยะพังคะบุคคลผู้จุติจากกรรมธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องไม่มีอนุสยยะพังคะ บุคคลผู้จุติจากกลามาธาตุแล้วไม่อุบัติในกลามาธาตุและรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็นอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะกลามาธาตุมูลกะในจบรูปธาตุมูลกะในสามบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุและอุบัติในรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่อง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 บุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแต่ไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจดไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกามาธาตุและรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะรูปปธาตุมูลกะในจบอรูปปธาตุมูลกะใน สามสบาบุคคลผู้จุติจากอร op <pues, S 1> ูปธาตุแล <olds. S 2> ้วอุบัติในอรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสัยพังคะบุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วอุบัติในพราหม a ธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจ็ดไม่มีอนุสัยพังคะการที่บุคคลจุติจากอรูปธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุย่อมเป็นไปไม่ได้ บุคคลผู้อุบ well, ัติหล so ังจากนั้นย่อมเกิดเฉพาะในกราหม่าต่เท่านั้นจึงมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกราม่าต่บางคนมีอนุสัยเจดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยพังคะบุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่อง บางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะภังคะบุคคลผู้จุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัตในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจดไม่มีอนุสยะพังคะการที่บุคคลจุติจากอรูปธาตุแล้วไม่อุบัตในกลามธาตุและอรูปธาตุย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลผู้อุบัตหลังจากนั้นย่อมเกิดเฉพาะในกลามธาตุเท่านั้นจึงมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจ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 บุคคลผู้ไม่จุติจ at ากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมาธาตุและรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยยพังคะณรูปะธาตุมูลกะในจบนอรูปะธาตุมมลกะใน3าม้สสิบบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุแล้วอุบัติในการมาธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่อง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 นอารมะธาตุมูลกะในจบนกามะนอารมะธาตุมูลกะในสาม้สี่ิบเจบุคคลผู้ไม่จุติจากการมะธาตุและอารมะธาตุและอุบัติในกามะธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจ็ไม่มีอนุสยยัพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากการมะธาตุและอารมะธาตุและอุบัติในรูปะธาตุบางคนมีอนุสัยเจนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่อง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 บุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอรูปธาตุและอุบัติในกามธาตุบางคนมีอนุใส่เจดนอนเนื่องบางคนมีอนุใส่ห้านอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอรูปธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุบางคนมีอนุใส่เจดนอนเนื่องบางคนมีอนุใส่ห้านอนเนื่องบางคนมีอนุใส่สามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากรูปธาตุและอรูปธาตุและอุบัติในอรูปธาตุ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 บางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยยพังคะนรูปะเนรูปะธาตุมูลกะในจบนกามะนรูปะธาตุมูลกะในสามร้อยสี่สิบบุคคลผู้ไม่จุติจากการมะธาตุและรูปะธาตุแล้วอุบัติในกามะธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจ็ดไม่มีอนุสัยพังคะ การที่บุคคลไม่จุติจากกรรมาทถและรูปธาต el ุแล้วอุบัติในรูปธาตุย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลผู้อุบัติหลังจากนั้นย่อมเกิดเฉพาะในกรรมาตถเท่านั้นจึงมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจดไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมาตถและรูปธาตุแล้วอุบัติในอรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะ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 บุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมาตศและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในอารมุปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้ง7ดไม่มีอนุสยยพังคะการที่บุคคลไม่จุติจากกรรมาตศและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมาตศและอารมุปธาตย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลผู้อุบัติหลังจากนั้นย่อมเกิดเฉพาะในการมาตศเท่านั้นจึงมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้ง7ดไม่มีอนุสยยพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมาตศและรูปธาตุแล้ว ไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องครบทั้งเจ็ดไม่มีอนุสยะพังคะบุคคลผู้ไม่จุติจากกรรมธาตุและรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกรรมธาตุและรูปธาตุบางคนมีอนุสัยเจ็ดนอนเนื่องบางคนมีอนุสัยห้านอนเนื่องบางคนมีอนุสัยสามนอนเนื่องไม่มีอนุสยะพังคะนักกรรมะนารูปะธาตุมูลกะในจบธาตุวิสัชนาวาระ อนุสยะยามะกะที่เจ็ดจบปุริมะยามะกะปะกรจบ